พระบัญญัติ966ก็ภิกษุณีใดเที่ยวจาริกไปไม่มีกองเกวียนเป็นเพื่อนในที่ที่รู้กันว่าหน้าหวัดระแวง ม, มีภัยน่ากลัวภายนอกรัฐต้องอบัตตาจิตตีเรื่องภิกษุณีหลายรูปจบ